แต่อย่างก็เริ่มพยายามฝึกหัดสร้างความรู้ตัวตั้งแต่ตื่นขึ้นจนกระทั่งเรานอนหลับจนเอาสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเอาไปใช้การใช้งานเอาไปอบรมใจไปชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเ ห, เห็นผลเหตุผ ล, ผลทางด้านโลกกระทำเหตุผลทางด้านสมมติเหตุผลทางด้านวิมุตเหตุผลทางด้านวิมุตคือใจต้องรู้ใจคลายออกจากความ หายใจขึ้นมาซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามนั่นแหละสัมมาทิฏฐิความบูแจ้งเห็นจริงของพระพุทธองค์รู้แล้วเห็นแล้วต้องตามทำความเข้าใจให้เข้าใจในหลักของอริยจังทุกครั้งอนัตตาให้เห็นเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวลาดับความว่างเปล่าอนัตตาเข้ามาปรากฏ เรื่องใหม่ก็พุดขึ้นมาใจของเราเข้าไปรวมได้อย่างไรเราพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์ทั้งแต่ตื่นขึ้นมาต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบที่สูงเป็นคนเป็นผู้ให้ผู้คลายผู้เอาออกจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาเราต้องพยายามพิจารณากายพิจารณาใจว่าอะไรคนละอะไรควรเจริญอะไรคนดําเนินเพราะว่าคนเราเกิดมาด้วยแรงเวียงของกรรม ถ้าไม่หลงก็ไม่ได้เกิดความหลงนะ่ะแหละความเกิดทั้งด้านจิตวิญญาณเขาก็เกิดเกิดแล้วยังไม่พอก็ยังมาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวเองยังมาเป็น่าตุของกิเลสอีกกิเลสหยาบ ก, กิเลสละเอียดหลายชั้นหลายขั้นหลายตน เราจงมาเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราความรู้ตัวหรือว่าสติยังไม่เข้มแข็งเราก็พยายามสร้างให้สติปัญญาของเราให้เข้มแข็งแล้วเรารู้จักสร้างบุญบารมีความเชื่อสละความรับผิดชอบสัจจะวิยะความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนจะเป็นอั น, นิสงส์เป็นบุญบารมีความเกิดความแก่ความเก็บความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลา เนี่ยความตายนี้มีมาตลอดทุกคนเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดไม่ตายช้าก็ตายเร็วเดี๋ยวนี้ก็ที่มาเห็นสองวันนี้ก็สี่ศพแล้ว 4, สี 4, 5, 5ส่ห้าศพสี่ห้าห้าศพเนีสองวันบันเพียอฝันก็สองำรานก็สอ ง, สสองทางในป่าทางนนยิ้วนนงองอีกก็ เข้ามาอีกอเพียงแค่วันเดียวนะสี่ศพห้าศพความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลาพวกเราจงเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดําเนินมองเห็นความตายเป็นของธรรมดาเหมือนกับถอดเสื้อผ้าจิตวิญญาณก็ไปต่อถ้าสร้างบุญมาดีก็ไปใส่เสื้อผ้าที่ดีถ้าสร้างบุญไม่ดีก็ใส่เสื้อผ้าไม่ดี เพราะว่าตาเบที่ใจยังเกิดยังวนเวียนไหวายเกิดอยู่เราก็พยายามมันสร้างคุณงามความบีจนกว่าใจของเราจะดับความเกิดได้คลายความหลงดับความเกิดมองเห็นบนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกัน อะไรที่จะเป็นบุญเราก็รีบทําอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็รีบทําวันนี้มีพุ่งนี้มีพ่อแม่มีพี่น้องมีโลกนี้มีโลกหน้ามีเราทําโรกปัจจุบันคือสำรวจใจของเราให้ให้ดีอยู่ปัจจุบันจนมองเห็นความเป็นจริงภายในคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นภายในแล้วก็วางข้างนอกได้โดยปริยายเรามาขัดเกลื่อนตัวเราอยู่ตลอดเวลา สักวันหนึ่งเราคงถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วไม่ถึงวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าปีหน้าไม่ถึงจริงๆสิ่งที่พวกเราทําจะไปต่อเอาพบหน้าอ่าสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันจักนี้หนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทํำนะอ่าปากันไหวเรับผมพร้อ ม, มกันพยายามทําให้ได้ทุกข์อย่าปด